พีนางตะเคียนทองสองสัมผัสสยองสวัสดีครับวันนี้แอดมินมีเรื่องดาวของพีนางตะเคียนทองมาเล่าให้ฟังกันต่อหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเลยจากตอนแรก ซึ่งเรื่องราวนี้จะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันจากครั้งก่อนถ้าหากใครที่ยังไม่เคยได้รับฟังเรื่องราวก่อนหน้านั้นก็สามารถย้อนกลับไปฟังเรื่องผีนางตะเคียนทองได้นะครับจากความเดิมตอนที่แล้วลุงอ่าพ่อของมาลิได้สร้างบ้านโดยมีเสาไม้ตะเคียนทองอยู่ในบ้านหนึ่งตน้นลุงอ่ำสังเกตเห็นว่าที่เสาต้นนี้ มีน้ำมันไหลออกมาตลอดเวลาแกจึงจัดเครื่องเส้นสวงบูชาเสาตะเคียนทองอยู่เป็นประจำจนกระทั่งลุงอ่ำและป้า น, นวลแม่ของมารีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจึงไม่มีใครคอยจัดเครื่องบูชาให้กับเสาตะเคียนทองเหมือนที่ผ่านมาจนทำให้ผีนางตะเคียนทองเข้าสิงร่างของมารีลาวมารีก็ป่วยลงเท่านั้นยังไม่พอ ทีนางตะเคียนทองยังสวมรอยใช้ร่างของมารีเพื่อเข้าหาเล็กซึ่งเป็นสามีของเธอจนทำให้เล็กพามารีหนีไปอยู่ที่อื่นโดยเดินทางออกจากบ้านไม่เก็บข้าวของเพื่อไม่ให้นางตะเคียนทองรู้ตัวเล็กกับมารีหนีไปอยู่ต่างจังหวัดโดยทรงข่าวคราวให้ญาติญาติรับรู้บ้างเป็นบางครั้งส่วนบ้านที่มีเสาตะเคียน ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกลจึงกลายเป็นบ้านร้างไปตัวบ้านพังเหลือเพียงแต่เสาตั้งตระงานเป็นที่น่าสะพรึงกลัวแก่ผู้ที่พบเห็นเวลาผ่านไปหลายปีวันหนึ่งระหว่างที่หนูนีเดินทางกลับบ้านหลังจะเรียนจบที่กรุงเทพเธอได้แวะเข้าไปดูบ้านร้างหลังนั้นก็พบเสาตะเคียนทองมีน้ามันแห้งกรังติดอยู่ หนูนีคิดว่านางจะเขียนทองหงไปผุดไปเกิดแล้วจากนั้นเธอก็เดินกลับบ้านไปหาพอ่อแม่และน้องชายวัยรุน่นอายุ17ปีชื่อนบนบก็ทักหนูนีว่าสวยขึ้นยังผิดหูผิดตาซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าหลังจากนั้นจะมีเหตุการณ์อนาสพรึงกลัวเกิดขึ้นกับหนูนี จากวันที่หนูนี่เข้าไปดูเสาตะเคียนที่บ้านร้างเธอก็มีพฤติกรรมแปลกๆโดยเฉพาะกับนบที่เธอจะเอาอกเอาใจเป็นพิเศษคอยเตรียมน้าเตรียมท่าให้หลังจากที่นบกลับมาจากโรงเรียนหรือบางทีก็มีผ้าเย็นๆมาเช็ดหน้าเช็ดตาให้กับน้องชายหลังจากเล่นกีฬาคนทั่วไปที่เห็นอย่างนี้ก็คงคิดว่า เป็นแค่พี่สาวห่วงน้องชายธรรมดาธรรมดาแต่นอบกลับรู้สึกว่าหนูนีไม่เหมือนพี่สาวคนเดิมของตนวันหนึ่งขณะที่นอบกาลังนอนเล่นโทรศัพท์ที่โซฟาเขามองหน้าจอยิ้มน้อยยิ้มใหญ่และพิมพ์ข้อความส่งถึงสาวๆเหมือนปกติทันใดนั้นเองหนูนีก็ก้าวเท้าปึงปังเข้ามาแย่งโทรศัพท์ไปจากมือของนบ โดยที่นบเม่ทันได้ตั้งตัวแล้วหนูนีก็คว้างไปที่พื้นจนโทรศัพท์ตกแตกกระจายนบตกใจมากที่เห็นพี่สาวโมโหเกลี้ยวกลาดขนาดนี้เขาจึงไปเล่าพฤติกรรมเหล่านี้ให้พ่อกับแม่ฟังซึ่งพ่อกับแม่ก็สังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกๆของหนูนีเหมือนกันเพราะเห็นเธอชอบกินของดิบทั้งที่เมื่อก่อนหนูนี จะไม่กินอาหารสุกๆุดิบดิบเลยเวลาที่นบไปโรงเรียนหนูนีก็มักจะอารมณ์เสียบ่อยๆชอบเก็บตัวอยู่แต่ในห้องนอกจากนบแล้วหนูนีก็แทบจะไม่ได้คุยกับใครตอนนั้นไม่มีใครคิดว่าหนูนีถูกผพีเขาคิดเพียงแต่ว่าหนูนีอาจจะเกลียดที่ยังหางานทำไม่ได้จึงมีกริยาแปลกๆแบบนี้ จนกระทั่งวันที่แม่เพลิงแม่ของหนูนีกลับมาจากทำบุญที่วัดแม่เพลิงได้รับพระเครื่องที่หลวงพ่อให้มาจำนวนสององค์จึงตั้งใจว่าจะมอบให้หนูนีกับนบสวมไว้ติดตัวเพื่อเป็นสิริมงคลแม่พริงได้เจอนบที่หน้าบ้านตอนหัวคำจึงเองาพระให้นบสวมพอไวทันใดนั้นหนูนีก็กรีดร้อง ลาวตะโกนมาจากในบ้านว่าให้นบถอดส้พระออกเดีย๋ยนี้แม่พริงกับนบตกใจมากแต่นบก็ไม่ยอมถอดส้ออกหนูนีจึงวิ่งออกมายืนที่ประตูบ้านจ้องมองมาที่นบแล้วพูดจาแปลกๆว่าสมพระแล้วเราก็เข้าใกล้กันไม่ได้ถ้าไม่ทาตามที่บอกหนูนีคงอยู่ได้อีกไม่นานแม่พริง เห็นสายตาอาคาดที่หนูนีมองมาจึงบอกให้นบถอดสร้อยมาให้แม่พริ้งก่อนพอนบส่งสร้อยพระไปให้แม่แล้วหนูนีก็เปลี่ยนสีหน้าจากดู ด, ดันกลายเป็นยิม้มแต่ก็ยังแฝงด้วยแววตาที่น่ากลัวตอนนั้นเองมีคนเดินผ่านหน้าบ้านพอดีเขาเห็นหนูนียิ้มอย่างพอใจก็แซวว่าคุยกันอะไรอยู่นะ่ะ ถ้าทางสนุกเชียวว่าแต่หนูนีนี่ยิ่งดึกก็ยิ่งสวยนะพอะแม่พริ้งได้ยินจึงฉุกคิดขึ้นถึงเรื่องผีนางตะเคียนเข้าสิงร่างของมารีมันทำให้แม่พริ้งเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาแต่ก็เก็บอาการเอาไว้ไม่ได้ปรีปากเอ่ยอะไรออกมาและตั้งใจว่าจะเอาเรื่องที่สงสัยนี้ไปปรึกษาพ่อก่อน จึงชวนนบกับหนูนีเข้าบ้านเพื่อไปพักผ่อนกลางดึกคืนนั้นขณะที่นบกำลังจะเข้านอนหนูนีก็มาเคาะประตูห้องแล้วพูดว่าขอเข้าไปไหน่อยซิมีเรื่องจะคุยด้วยแต่ น, นบรู้สึกไม่ไว้ใจหนูนีจึงมองไปที่ประตูเพื่อให้แน่ใจว่าล็อกไว้ยังแน่นหนานแล้ว จากนั้นก็ตอบหนูนีไปว่าพวกนี้ให้คุยกันได้ไหมพี่หนูนีคืนนี้ดึกมากแล้วหนูนียังร้องขอเข้าห้องไปอีกสองสามครั้งแต่นอบก็ปฏิเสธทุกครั้งจนได้ยินเสียงหนูนีเดินออกไปจากประตูไม่นานนักก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินกลับมาหยุดที่หน้าประตูห้องอีกครั้งแล้วนบ ก็ได้ยินเสียงเหมือนของแข็งกระทบที่ประตูห้องของน o ซ้ำๆอยู่หลายครั้งแล้วหนูนีก็พูดด้วยเสียงอันดังว่าเปิดประตูเดี๋ยวนี้ตอนนั้นน o รู้สึกกลัวมากจนไม่กล้าลงจากเตียงได้แต่แตะโกนร้องให้พ่อแม่ช่วยน o ร้องเสียงดังจนพ่อกับแม่ตื่นออกมาดูแล้วก็พบว่าหนูนีกำลังใช้มีดเล่มใหญ่ ปักและกรีดไปที่ประตูห้องของ n น b อย่างโกรธแค้นพร้อมกับตะโกนใส่ประตูว่าถ้าไม่เปิดอีหนูนีตายทันใดนั้นเองหนูนีก็กรีดไปที่ต้นขาเกิดเป็นแผลใหญ่เลือดสีแดงสดไหลออกมาแม่เห็นดังนั้นก็ตกใจกรีดร้องรันพ่อรีบวิ่งไปคว้ามีดออกจากมือหนูนีแล้วโยนไปที่อีกฝากหนึ่งของทางเดิน จากนั้นก็รวบตัวหนูนีที่กําลังดิ้นอาลวาดอย่างรุนแรงพอนบได้ยินเสียงพ่อเรียก็เปิดประตูออกไปเพื่อจะช่วยพ่อจับหนูนีเอาไว้แต่พอหนูนีเห็นนบออกมาเธอก็สงบลงไม่เห็นว่าหนูนีไม่มีทีท่าจะทำร้ายตัวเองแล้วพ่อก็บอกให้แม่พริงไปหาผ้ามาหามเลือดที่ต้นขาของหนูนี แม่พริ้งวิ่งไปก็ร้องไห้ไปเธอหยิบชุดปฐมพยาบาลที่ห้องนอนแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเก็บสร้อยพระไว้ที่หัวเตียงจึงหยิบพระออกไปจากห้องด้วยเพอหนูนีชำเลืองเห็นสร้อยพระที่แม่ถือมาก็เริ่มดิ้นอลาวาดอีกครั้งพ่อกับนบก็ช่วยกันจับตัวไว้อย่างทุลักทุเลแม่พริ้งช่วยโอกาส รีบเอาพระสวมคอหนูนีอย่างรวดเร็วด้วยที่คิดว่าถ้าผีนางจะเคียนสิงหนูนีจริงๆก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยหนูนีในครั้งนี้ด้วยแล้วก็เป็นดังคาดร่างของหนูนีมีอาการกระตุกคล้ายกับคนสะอึกแล้วหนูนีก็สงบลงเหลือเพียงเสียงหอบและเสียงสะอื้นเธอค่อยๆหลับตาลงด้วยความอ่อนแรง แม่ประถมพยาบาลแพ้ที่ต้นขาของหนูนีอย่างรีบร้อนจากนั้นทุกคนในบ้านก็ช่วยกันพาหนูนีไปส่งโรงพยาบาลแพ้ที่ต้นขาค่อนข้างหลึกทำให้หนูนีเสียเลือดมากหมอจึงให้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นพ่อก็ปรึกษากับแม่ว่าช่วงนี้จะให้หนบไปอยู่บ้านญาติชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของนบเองเพราะช่วงสายๆหนูนีเริ่มฟื้นได้สติหมอก็ให้กลับไปพักรักษาตัวที่บ้านท่าทางของหนูนีในตอนนั้นยังดูสับสนและจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไม่ได้พ่อกับแม่จึงต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหลายวันผ่านไปหนูนีมีอาการดีขึ้น พูดจาทักทายคนอื่นกิริยาสุภาพเหมือนหนูนีคนเดิมมันทำให้แม่สบายใจขึ้นมาคิดว่าผีนางตะเคียนทองคงออกจากร่างหนูนีไปแล้วแต่ก็ยังคงเป็นห่วงจึงกำชับหนูนีว่าอย่าให้สร้อยพระอยู่ห่างจากตัวแม้ว่าจะไม่มีใครเล่าเรื่องผีนางตะเคียนทองเข้าสิงร่างให้หนูนีฟัง แต่หนูนี้ก็รับคำแม่ว่าจะใส่สร้อยพระไว้ตลอดหลังจากนั้นไม่นานบ้านร้างของเล็กกับมาลีที่เหลือแต่ซ่าก็ถูกขายไปเจ้าของคนใหม่ให้สินแสมาทำพิธีแล้วสั่งคนรื้อถอนบ้านหลังเก่ารวมทั้งเสาตะเคียนต้นนั้นออกไปด้วยผู้คนแถวนั้นจึงเริ่มสบายใจที่ไม่ต้องคอยมองเสาตะเคียนที่น่ากลัวนั้นอีกต่อไป ไม่กี่เดือนหลังจากนั้นพอนบเรียนจบชั้นมัธยมปลายก็สอบติดแล้วได้ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพหนูนีเองหลังจากเรียนจบศึกษาศ า, ศาสตร์มาได้สักพักก็ตั้งใจอ่านหนังสือแล้วไปสมัครสอบบรรจุครูด้วยความที่หนูนีเป็นคนขยันและเรียนเก่งอยู่แล้วหนูนีจึงสอบติดได้อันดับหนึ่งในห้า ของคนที่ถูกเรียกบรรจุซึ่งจะต้องไปลงทะเบียนเพื่อเลือกโรงเรียนที่จะเข้าไปสอนอีกทีผลการสอบของหนูนีทำให้แม่พริ้งดีใจมากคิดว่าต่อจากนี้ไปหนูนีคงจะได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีหลังจากผ่านเรื่องร้ายๆมาได้แล้วเย็นวันนั้นเองแม่พริ้งจึงทำอาหารเลี้ยงฉลองชุดใหญ่พอ่อแม่ และหนูนีกินข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนานโดยไม่ลืมที่จะโทรศัพท์ไปบอกข่าวดีเรื่องที่หนูนีสอบติดครูให้นบได้รู้วันนั้นทุกคนมีความสุขมากโดยไม่รู้เลยว่ากําลังจะมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นเพราะหนูนียังไม่ปลอดภัยจากเรื่องร้ายๆอย่างที่แม่พริงคิด สยอ